เพียงอยากรู้เรื่องบาบาตันหากลับเพียงได้รับกับคู่ยากรู้นะถึงจำยมตามใจให้ล้านพาง อโศกาอยู่ในสวงบ่วงลานชายโอ้ลานรักเป็นเก่นไรฉันไหนนอจึงใจคอโหดร้ายคลายผพียสิ่งรัวชัวกลับทันลัน คำจริงจริงพิศาสิงเพราะสู่สิ่นกินกัญชา